จะเอาจริงจริงจังๆนี่ก็ยากลาบากแต่ว่านักบวชนักโคนี่บ้านเราก็รู้สึกว่า ด, ดีนับถื อ, อข้อวัดปฏิบัติแต่ว่าจะให้เอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยจะเอากั น, ยนโยมอุบนทุกการนึ่งมาเห็นหน้าพระแล้วขอสินแล้วหิวหลายต่เอาให้แ้วไม่ค่อยเอาแล้วเอาไปเล่น เอาสินไปเล่นบมถ้าเราอยู่กับมาคอเหมือนอดเหมือนอยากเหลือเกินนะต่เอาไปเร็กเอาไปทิ้งจะรอมาแล้วในวันหลังนนะสาขาทั้งหลายมาเยี่ยมมันจะมาหลายร้อยมาพูดถึงเรื่องอันนี้นะโยมเอาอยัางไงกันเล่าเทศ่ยได้ฟังทินี่เกือบสามสิบปีแล้วเนี่ยหลายสาขามารวมกัน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 ใครตั้งใจจะเป็นอุบาสิการักษาสินห้าตลอดชีวิตมีกี่คนไหมมองดูตากันดอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกรอกแหลกไม่มีใครกล้าเอาแต่ขอเอาสินกร็ระไปทิ่งเท่านั้นเนี่ยขออยู่เรื่อยๆคนจนีชอบขอนะนะคนจนชอบขอ ขอไปแล่มไม่รักษามันก็จนอยู่ยังเก่านั่นแหละเห็นหน้าผ้าก็ขออี๋ขออีกไอ้คนขอดีมีเรื่องขอไดนะไม่ต้องรักษาเนี่ยไม่ต้องทำขึ้นยังคนเราจะจนก็พ่อคนขี้เกียจเนี่ยขอได้ดิางเนี่ยมาถามวา น, นั้นไม่มีใครเลยจะตั้งใจเอาสินห้าประการเนี่ยแสดงว่าไม่เคยเห็นอะไรมากมาย อาตมามองเห็นแล้วก็โอ้ยท้อใจก็ได้บอกว่าปีวันนั้นได้บอกว่ารวมกันทั้งหมดอาตมาได้เอ้ยนึกว่ามีคนมาอยู่นี่ถามแล้วไ ม, ไม่ค่อยมีคนมีแต่ขี้คนเต็มชรามีแต่ขี้คนทั้งนั้นเนี่ยด่าซะหน่อยหนึ่งซะให้อายซะหน่อยหนึ่งยิงนั่นก็ไม่เคอยอายหรอกอืมอืม ยังขออยู่นี่เรื่อยๆเนะ่ย ม, มึนเป็นของลํา บ, บากประเพณีของเราทําอย่างนั้นนะออืะชอบจะเป็นอย่างนั้นอขอสะไรก็ยิ่งจนขอไม่ทําขอไม่รักษาเห็นใครมาขอเท่านั้นนะยิ่งขอก็ยิ่งจนทั้งนั้นนะอืไม่มีขอไม่มีในกายในจิตของเจ้าของแล้วก็ต้องข อ, อ เป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วกเราอยู่กันมาเรื่อยๆปฏิบัติมันขาดการปฏิบัติอการเรียนนี่ก็เรียนได้การรู้ก็รู้ได้แต่ว่ามันขาดการปฏิบัตินี่มันขาดหลายแสดงว่ามันพูดแล้วเปนหน้าอายแบบเนาะเราเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแทๆ้ๆนะลูกศิษย์ทางวง น, นอกเข้ามาเดินยื่งออกหน้าเราไปซะแล้ว เหรอทำไมดูดิเขามาฝึกกับเราเนี่ยตั้งอากาศนี่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างทนอยู่อืมอาหารการกบฉันนี้เอาทีเปลี่ยนเมื่อที่สุดแล้วทนอยู่เปลี่ยนทุกอย่างถึงแม่ภาษาคการพูดต่างต่างเปลี่ยนมุดทุกระบบเลยอืมมันเปลี่ยนแต่เขา ก็พยายามทํากันนะอืมมันเดิมาคิดถึงคำโบราณเราว่าสมัยก่อนเวลเรามันไม่อดไม่อยากอืมมันไม่อดไม่อยากไม่อดนล้มันก็เลยไม่อยากลืมตาขึ้นเห็นพระเห็นเจ้าเห็นอะไรเห็นแต่ตานอกๆ ต, ตาในไม่นไปจะเห็นกันก็ได้อิมเหมือนของมันอยู่ในบ้านนะถ้าไม่ทานมันก็อิม เพ้าว่าเรามันมีอยู่แล้วอันนี้คือถ้าพระจาประสง ม, มีอยู่แล้วในเมืองไทยล้วก็อิม่มไม่รู้ว่าอิ่มอะไรก็ไม่รู้อิ่มลมหรืออิ่มอะไรก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> นี่มันเป็นอ่างเคยปลอยดีใจอยู่งั้นไอ <Yeah. S 1> ้วันนั้นเคยไปพระนครก็เปน็นกรุงเทพ <Yeah. S 1> เห็นโยมคนหนึ่งเป็นขนาาน้าราชการ เมื่ออยู่ในว่านเราไม่ค่อยสนใจกับพระเจ้าประสงค์เมืม่อไปอยู่เมืองนอกหิวหิวไม่ค่อยเห็นพระเห็นเจ้าอยากจะเห็นพระเห็นเจ้าก็เลยไปเยี่ยมพระดุสิตอัตมาเนี่ยอยู่ในกุง ด, นดอนเนะี่ยเป็นพระฝรั่งก็เลยเรื่องใส่เนี่ยก็เลยรูสกว่าเราเราเห็นพุทธศาสนาดูเรื่องพุทธศาสนาในคราวนั้นเนี่ย เป็ น, นี่นี้ก็มียนะินี่ะเพราะการที่ไม่สนใจนะั่อนอ้าวรร <c oughs> แระกันมิกแล้วเนื้แล้วเนว่า ก, การคงย้อนไปวัดอีกนี่อาตมาก็รีบททำเนี่ยกลัวมันจะช้าไปอืมใครตามกัน ไ, ไหมลูก ได้มานั่งพูดขบยาโยมีก็ ม, มีใครมานี่อืออืออืาเลยครับฮะอาจารย์เทศแล้ใชัวพูดตัวดีที่อ๋อครับปปผมรออยู่นึกว่ารถจะไปรับ มีรถไม่ไปผมก็เลยเอารถรีบไปรับอาจารย์ก็ระหว่างของทุ่มเพืนถึงสามทุมรถไปรับมาแล้วรัว่าพอดีมีรถอีกเรนบอกว่าอาจารย์ออกเรแล้วมีรถคันหนึ่งอีกรถสีวั ด, ดน่ะเขาไปพักไปนั่นน่ะก็ <ดบ S 2> ะเลยกลัวว่าทางนี้จะ จะท่าจะท้าทางกริจัรพระมาลุกหนึ่งกัพระสัมภกิจูมาแล้วก็ พ, ะา ร, าพระมาละองค์ตัวมาตัวมาสวดมนตย็นก่อนอันตรมาเพระาะว่าไปเถอะไ ด, ได้ได้พูดกตุ ก, การเนี่ยว่ามันไม่แน่นอนเวลาไม่แน่นอนบางทีก็สองทุ่มกว่าบางทีก็สามทุมเพราะว่าอะไรมันยังไม่เสร็จไอ้กริจัดเนี่ยมันมันได้เสร็จไปก่อนเธอแล้วกริจัดพระ พระตนมาสวดมนต์เย็นก่อนพอดีพวอเอขายามตาบอดท่านบรจารย์ไม่อยู่ผมเลยต้องเดินเข้าไปขึ้นใึ้นไเห็นเขาอย่อาง <c oughs> เข้ <c oughs> เาม <c oughs> าแล้ว <c> น <oughs> ี <c oughs> ่พระขาวเนี่ยตอนขาออกมาเขาเข้ามาแล้วอืม ามณ์ารนาได้เลยนัะมี <radiator ivi> ่นีเด็ดขาดเออสาธุมย่างพันเตวิสุงวิสุงรักษณทายะติสเนนัสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยัิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักษาทายะ ติสระเนนะหปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัสณทายะนะโมตัสสะภะควโต arahato sama samigutta t s a นะโมตัสสะ พักวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสเนกโมทัสสะพักวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิอิโตปารังสัจเังธัมโมโสตภูติ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 ก็พร้อมที่จะทําการมหาปารณาทั้งวันนั้นเนี่รวมกรถินในวันนั้นและวันนี้ก็ทอดกรถินพอทอดกรถินแล้วก็อัตามาก็จะรออยู่พอสมควรเพราะท่านผู้การเคยอนิมนต์มาในสมัยก่อนนั่นก็จําไว้ถึงแม้ว่ามีธุระ ยังไรก็พยายามมาพอที่จะมาร่วมในสถานที่นี้ ท, ทั้งติญานุจิตทั้งหลายก็นำมาหลายองค์ทั้งพระไทยทั้งพระฝรั่งปนไปกันมาน่นะมารวมที่นี้ก็รู้สึกว่าวันนี้นะเหนื่อยมากพอสมควรแต่ยังไรก็ต้องมามเพราะอะไรเพราะรับแขก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 กำลังคนแก่นะมันก็ถอยไปถอยไปแม้เสียงพูดมันก็ถอยไปลมมันก็น้อยน้อยไปอย่างนั้นในชนั้นวันนี้ก็มีกำลังใจอเพราะท่านผูกการตั้งใจมามสถานที่นี้ก็ต้องตั้งใจมาปฏิสันฐานพอสมควร อย่างนั้นก่อประกันตังอกตังใจจะเทศให้ฟังแต่น้อยไม่เอามากแต่ว่าคงมีดุกสิทธิหลายองค์โยมเมืองโคราชมีกำลังนั่งไหมนะจะให้พระเทศให้ฟังวันนี้ในอัตมาก็เป็นประธานส่วนหนึ่งจะขึ้นมาพูดกับญาติโยมพอสมควร Ừ, เท่านั้น <c oughs> <c oughs> เสร็จจิตทวัดประพงแล้วประมาานี้คือการทอดกัญชินปีนี้ทอดกัญชินสบายมากเพราะว่าพาญาติโยมทําบุญกันไม่ได้ทําบาปทําบาปนั้นมันยากกว่านี้มันยุ่งกว่านี้ปีนี้ทําบุญแท้ อาหารที่ถวายพระอุบาสิกาทั้งหลายก็ทำอาหารเจกันก็เลยสบายไปแต่คนก็ไม่มากคืนนี้โดยรวมจะถึงจะ่ประมาณสักสี่ร้อเห็นจะได้แต่ก็มีแต่คนมีแต่คนมาฟังธรรมไม่ใช่คนมาเล่นมีคนมาฟังธรรมเงียบสงัด เพราะไม่มีอะไรไม่มีรนตรีม ke, ไม่มีอีกีนครไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะเนีเ่่าเเอืองแรกก็มีมนพระนบกะซึ่งมาบวชกัตมาในพรรษานี้จำนวนประมาณเกือบยี่สคนก็พอดีขอมีมนท่านขึ้นแสดงความรู้สึกว่าในมา บวชณวัดห้องประพง์ต่างคนกัต่างมานั่นทุกอง น, นั้นให้แสดงความรู้สึกก็กินเวลาไปประมาณจากักสองชั่วโมงนอกจากนั้นก็ร่วมแต่มาฟังธรรมกันทั้งนั้นนะรู้สึกว่าในพรรษานี้ในปีนี้การกระทาบุญนั้นเป็นบุญอัรรท้จริงสบาย ก็ถึงวันนั้นก็เป็นวันพระเป็นวันพระธรรมดาผู้รักษาโบสถ์สินนั้นก็ไม่ต้องการเขายินกันอยู่แล้วก็เลยเรียบร้อยไม่มีอะไรจะสสกกระปุกเปลื่อนดีเรียบร้อยทุกประการนี่ฉะนั้นถ้าวว่าการกระทำบุญ น, นั้นพระพุทธองค์คนเราชอบให้ทาง่ายๆไม่ต้องทำยากมันง่ายอยู่แล้ว ทำง่ายง่ายทำถูกถูทำสบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนเมือม่ อ, อคือนนี้อาตมาก็านำญาติโยมตั้งหลายร้อยมาทำกันก็รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานีการกระทำบุญที่แท้แล้วก็ภูมิใจบุญคือความภูมิใจที่เราได้กระทำแล้ว ว่าเหตุการณ์ที่เรากระทำแล้วนั้นน่ะปราศจากความชั่วไอการลามกทั้งหลายไม่เผื่อเพื่อน เ, นเนมื่อก่อนจะทำมันก็ภูมิใจเมื่อกำลังเราทำอยู่ก็ภูมิใจเมือ่อเราทำเสร็จไปแล้วกว็ภูมิใจการภูมิใจนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นบุญที่เราพบปะอยู่เสมอเรื่องภูมิใจ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 ญาติโยมเมืองโคราชมาหรือตลอดท่านผู้การนี่แหละเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะกระเป๋าสตางค์เอาใส่ถุงมาแล้วมันดุดเชะผู้การก็ไม่รู้เลยก็ภูมิใจมาอยู่ก็นึกว่าสตางค์เรายังอยู่ในนั้นไอ้ทวันเป็นจริงมันน่าจะเสียใจแล้วนะ่ะแต่เมื่อกระเป๋าสตางค์มันดุดออกไปนั้น น, ะนี่ก็ภูมิใจเพราะพอไม่รู้จักนะ เมื่อมาถึงวัฒนาชาติเนี่ยมาคลาดูกระเป๋าอ้าวไม่ได้เรื่องซะแล้วตกใจว่าเลยนี่อะไรนี่มันน่าจะตกใจแต่เมื่อกระเป๋าตตังมันดุดออกจากถุงแล้วอันนั้นก็ยังภูมิใจเพราะเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เรามีความภูมิใจกีอืมอีมีความภูมิใจภูมิใจเพราะเราไม่รู้จักอืมอะ เพราะเราไม่รู้จักเพราะเข้าใจว่าสตางเรายังอยู่เราคภูมิใจอยู่แต่เมื่อมารู้ตามความจริงมาถึงที่นี่เราะสตับกระเป๋าสตางหายไปใจก็ไม่สบายอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจที่หลงไปการกระทำบุญนี้กรมกัรฉันนั้นพระองค์เนวธรรมมีความภูมิใจใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก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 เป็นการที่สองนั้นเมื่อทําจิตของเราให้เป็นบุญเมื่อเป็นกุศลแล้วอันนั้นเอตังพุทธศาสนังอันนั้นก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งแล้วสัจจตประโยธาปัณนณน์การมาทํากิตใจของเราให้ผ่องใสนั้นก็เป็นเอตังพุทธศาสนังอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระเป็นหัวใจของพุทธศาสนา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 พระพุทธ อ, องค์เราต้องการอย่างนี้จงเรียกว่าพุทธศ า, ศาสน า, สาศาสตร์คือพุทธศาสนานี่เป็นาศาสตร์อันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงคือหมายว่าความรู้ในทางพุทธศาสนานี้ต้องปราศจากความสกรปรกหนุน ง, ง่ายสะอาดเมื่อทําแล้วก็สบายใจทําแล้วก็สบายใจ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 นั่นก็เดียเป็นบุญและก็เป็นกุศลด้วยบุญแปลว่าความภูมิใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการกระทำบุญในบุญมานก็ภูมิใจด้วยความฉลาดปราถจากวนทินทั้งหลายนั้นแตนั่นบุญก็เป็นประเภทอันหนึ่งกุศลนี้ก็เป็นประเภทอันหนึ่งเหมือนกันจากนั้นการกระทำบุญนี่ให้ประกอบด้วยปัญญาคือความฉลาด ความฉลาดนั้นเป็นเหตุให้สะอาดไม่สุขกูมเป็นต้นเดียวกว่าบุญเดียวกว่ากุศลโดยเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นการกระทมนั้นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาทันมูลปราทจากความฉลาดทุกสิ่งสารพัดก็เป็นอย่างนั้น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 เป็นฐานที่เน่นหนาทาวร้านนั่นจริงจะยืนยงคงตัวอยู่ไรนานอันนี้นั่นเป็นฐานอันหนึ่งเหมือนกันการกระทำบุญทำกุศลของเรานี่เป็นเป็นรากฐานคือจิตใจของเรานี่ทำจิตใจของเรานี่ให้สงบระงับคือมันปราศจากโทษอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นแม้จะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะนอนอยู่ก็เป็นบุญจะทาอะไรอยู่มันก็เป็นบุญ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 มันก็บกพร่องในการกระทาของกเราทั้งหลายนั้นอันนี้ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายไม่ไกลไม่มาอเท่านี้มันก็พอในการละบาปเป็นเบื้องต้นก่อนฉะนั้นเมื่อเราจะทําบุญเมื่ อ, อไรนั้นเช่นวันนี้นะวันนี้มาทําบุญท่านผู้การกับผูมมือขึ้นมาแล้วว่ามะยังพันเตติสรณเนนจะหะ ปัญจสิรานิยาจักนี่คืออะไรนะนี่คือทำเครื่องสปกปรกออกจากใจไม่ข้าศัตร์ไม่รักทรัพย์ไม่ระพิษพิษในการไม่โกหกเปลี่ยวไหลไม่กินสุราเอาแต่เครื่องสปกปรกทางนั้นออกอมันจะไม่สะอาดมันจะอยู่ได้เด้อมันก็จิตใจมันก็สะอาดเท่านั้นแหละวันพรุรูปท่านบ่าอันนี้เรียกว่าศีลชัยก็ไปตรงนั้น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 ญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยพบแล้วมั่ทุกเนี่ยคือพบอวันที่อัตมาก็เห็นเอเอญาติโยมพูดสิสำคัญมาเยี่ยมนะพอพูดไปพูดมันทุกในใจก็เลยนั่งอยู่ต่อหน้าน้ำตามันหยุดต้ครับรับขับอัตมาก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นแผลไม่เห็นเป็นอะไรเลยน้ำตามันไหลออกม า, ม, ามันไหนออกมาจากกองทุกมันบีบบีนะ บ, บข้ามา อันตมาเคยฟังทําบบนี้แหละอ น, น้อําท่าน้ําอันนี้ไม่หมดแล้วมันไม่หมดทุกข์หรออยู่ดีๆก็นั่งน้ำตาไหลเหนียวมาอย่างนั้นนะะอันตมาก็สงสัยไอ้ น, น้ํานี่มันออกมาจากอะไรนะมันคงมีอะไรบีบมันออกมาเป็นน้ําตาไหลออกมาอันตมา ก, ก็ไม่ได้ถามนอกแาก ว, ว่าเห็นเหตุผลแล้วว่าน้ําอันนี้มันไหลออกมาแล้วมันต้องทุกข์อ่ะ มันต้องทุกข์คนผู้ที่สาคัญเนี่ยคือมันทุกข์ทางในไงทุกข์ทางใจมีมันก็มีรากก็มีเยศมันก็มีแต่ว่ามันทุกข์นี่ไม่รู้เป็นทุกข์ที่มันต้องอาศัยอะไรมันอาศัยทีนี้ว่าไอ้ความไม่พอใจอะไรนี้นะนี่ชินอืมากๆมันก็มีแต่ว่ามันไม่พอใจ มันขาดสิ่งที่พอใจของคนนั้นมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็มาเรียนถามอาจารมาว่าอิฉันมันเป็นทุกข์จะให้อิฉันระงับยังไงได้ทุกข์ลยงรู้ไหมว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงไหมมันเกิดมาจากอะไรดูลองรู้ไหมดูจิตตามนย์เนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ประโยุ่มเลยนี่ก่อนมันจะทุกข์มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดมาจากอะไรไหมอื่ ให้ดูในจิตเดี๋ยวนี้นะ่ะจะเห็นนะโยมจะเห็นของโยมเองไม่ต้องไปนคนคว้ายอย่างอื่นอ่ะอาจจะมาไะยกกระโถนขึ้นอยู่กันเนี่ยอย่างเราอยู่สบายนี่ไม่หนักพอยกกระโถนใบนี้ขึ้นมั น, มนเริ่มหนักขึ้นมาแล้วพอระวางกระโถนใบนี่มันเริ่มหายหนักแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรถ้าหากเรายกกระโถ น, นมันหนักก็เพราะเราไปยกกระโถนใบนี้ขึ้นมามันก็หนักนี่ผู้จะเห็นง่าย เมื่อมันหมกักมันจะหายหมกักโดยวิธีอะไรเล่าต้องวางกระโถนไปที่ลงดูดิเบาแล้วเหใช่ไหมมันเบาเพราะอะไรเพราะเราวางกระโถนไปนี่มาเลี้ยงอัตามาจะจับกระโถนยกคนทีหนึง่งกาวให้ฟังให้ฟังอย่างนี้มันทุกขุมนี้ไม่เกิดทุกข์จริงอย่าไปิดขั้ว ท, ที่ไหนมันทุกขรงนี้แหละให้พิจารณาสักเป็นเทียรไปฟังสักพักหนึ่งน้าตาก็เลยหายอยู่นะ เลยหันมาพูดกันจะมาโดยที่เสียงไม่สั่นนะถ้าวันหลังนะ่ะถ้าหากว่คุณนายไม่สบายมาหาพระคระบค้นหาเหตุมันเงีงมันได้นะนี่เท่านี้แต่คนมันมีทุกการกระทำบุญทุกวันนี้การตังธรรมทุกวันนี้ปกแ ก, ก่ทุกคือแก้ปัญหาในชีวิตที่เราเกิดมานี่นะ่ะมันมีทุกแต่ว่ามันทุกเกิดขึ้นมาแล้วคนเรากลัว กลัวมันทัพพุทธะองค์การสอนมาทุกเกิดเกิดมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ให้รู้มันนี่คือทุกข์เข้าไปหาทุกข์คนนราชอบทุกข์ทุกข์เกิมาเดืวดร้อทุกข์ในครัองพุทธกาลก็เหมือนกันนะคนทุกข์เลยจึงเข้ามาหาพระอืมเมื่อมันร้อนเลยจึงเข้าไปในร่มถ้าไม่ร้อนเนี่ยตากแกดดไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้มันมีเหตุอย่างนี้ทุกคน ดังนั้นทุกนี้จริงเป็นสัจธรรมทุกคนเคยผ่านมาแต่ไม่รู้จากอะไรมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรต่ออะไรนะอืก็เลยคิดไปคิดไปคิดไปในร้องให้มันทุกไม่รู้จะคลางออกอย่างนี้อัตม า, าตองคลัมดูตองคลัมดูมันตน้องมีหนทางที่มันจะแก้ไขมันเพราะพระพุทธองค์ของเราตอนสอนนาธรรมะนี่แก้ทุกให้คน แก้ทุกข์ที่เกิดจากหัวใจของมนุษย์แท้แต่เราไม่รู้จักตัวเราว่าเมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่ตามดู้ว่าทุกข์นี้มันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้จักแก้มันอย่างนี้นี่ท่านนั้นปฏิจจัตตาทุกข์นี่เป็นสัจธรรมทุกขะ ส, สัตยมุทายะสัตมกสัตยิโรทัตสัตพระพุทธองค์ออกทางนี้สาวกทุกองค์ออกทางนี้ ใครๆก็ออกทางนี้ อ, อันนี้เป็นอริยสัจนางนั่นเมื่อทุกเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แยกขายว่าอันนี้สักจะเป็ทุกข์ความปเป็นจริงเนีทุกข์มันโน้มเหนือแต่เราไม่รู้เรื่องของมันที่เราอยู่กันทุกวันมันทุกข์ถึงนั้นอยูทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่ามันทุกข์เมื่อทุกข์มันดับไปเราก็เรียกเป็นมันดับนั้นว่าสุข เห็นไม่ชัดเห็นเป็นสุขเพราะทุกมันดับไปเฉย<ๆ>เมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปก็เป็นสุขเราก็ไปตะคุกทุกข์ก็ตะคุกสุข ก, ก็ตะคุกนึกว่ามันคนในอย่างกันพระสอนมามีแต่เรื่องทุกข์มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละอื่นนอกนั้นไม่มีให้พีนาเตะดูด แ, ละะกกดแล้วก็ใช่เหมือนกันทุกข์เกิดแต่ก็ทุกข์เราถ้ามันเกิดมาเราไป สำกันอะตรงนั้นเป็นทุกข์ถ้ามันดับไปเราไปสำคัญตรงนั้นเป็นสุขนี่ไอ้คนไปริงของต่อมันทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ตะคุบอยู่นี้ตะคุบอยู่ตะคุบตะคุบจะทุกข์อะไรเจ้าบามันไหวตัวบางทีมันคลยใครมันสุขบางทีเคยใครมันทุกข์อยู่นี้เราก็ป่าทะนะเอาสุขเมื่อป่าทะนะเอาสุขแล้วเมื่อสุขให้ไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีก หลักขอพุทธศาสนานั่นก็นใน ห, หมายถึงความสงบสิสงบจากความสุขนั้นความทุกข์นั้นนั่นคือความสงบเราต้องการความสุขนั้นเนี่ยความสุขนั้นคือทุกข์อันละเอียดที่เรายังไม่รู้จักสุขกอดีทุกข์กอดีสองอย่างนี้นะเราก็เห็นว่าสุขนั้นแ่ะฉันชอบฉันต้องการความสุขฉันก็ต้องพยายามหาความสุขเทนั้นก็ น, นึกว่าสุขนั้นมันไม่มีโทษไม่ใช่สุกข์เรื่องตัวเอกมันน่ะ นะตัวมันเป็นทุกข์แล้วนั่นนะสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีนะ่ะเหมือนกันกงูตัวเดียวกันทุกข์ค่อยๆก็หัวงูสุขค้ายๆก็ห า, า, า, า, า, า, างงูพอเราไปเห็นงูตัวนี้มันยาวหางมันอยู่ตรงนี้ปากอยู่ตรงโน้นเราก็คิดว่าเออทางทางปากมันจะเป็นพายเว้ยไอทางหางมันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่มีปากอยู่ตรงนี้ไงนะ อย่าไปใกล้ปากมันเลยมันจะกัดเอ้ามันจะชกเอ ing, mm. ้ามาจับหางมันดีกว่าแน่เพราะมปากมันอยู่ตรงนี้เรามาจับหางก็หางงูเห็นไหมเอตัวหัวงูมันก็วกมากัดมันก็ทุกข์อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะหัวงูก็อยู่กับมูหางงูอยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นี่เราไม่รู้อย่างนั้นเราไม่รู้เลยว่ะทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นเอง นะเราสร้างทุกข์เกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละตรงนั้นนังนนั้ น, น, นพระท่านเพียงสอนว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากทุกข์มันเกิดแลว้วแต่ทุกข์มันดับเท่า น, นี้ไม่มีอะไรเท่า น, นี้เนะี่ยเลือกคือว่าเราแสดงหาความสุขนั้นก็เราคิดว่าสุขแต่มันดีมันดีมากเกินไปี่ปยิ่งทุกข์เข้าไปถ้เาเราไม่รู้จักมาทุกข์ เมื่อหันเหนมาดูธรรมะของพระพุทธเจ้าของ เ, เออสุขนี้ก็ไม่ใช่ความสงบบ้างสุขทุกข์นี่ดูแล้วมันเหมือนกันเท่งนั้นเนี่ยอันเดียวกันแต่เวลาหนึ่งหมายถึงมันเป็นสุขเวลาหนึ่งมันเป็นทุกข์นะฉะนั้นคนต้องการความสุขสุขมันหายไปแต่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นอืมันอันเดียวกันเหมือนนั้นดังนั้นพระพุทธองค์คนนั้นท่าสอนว่า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 เกิกว่าที่มันพ้นจากสุขหรือทุกข์อันนี้เรียกว่าความสงบนี่เมื่อความสงบมันพ้นจากสุขแล้วพ้นจากทุกข์แล้วนั่นคือหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงี่ทีนี้อันนี้ให้เป็นการบ้านของโยมทั้งหลายนี่ให้เอาไปพิจรารณามันจะจริงหรือเปล่าเพราะธรรม น, นี้พระพุทธองค์ไม่นสมนับสนุนมา ผู้ที่เชื่อก่อคนอื่นนั่นท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญมาเป็นปัจจิตตังเชื่อเรื่อยปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะดวงใจคนเราเองฉะนั้นท่านจึงให้บัดเป็นปัจจิตตังรู้เฉพาะตัวเราอย่างนั้นอันนี้ญาติโยมทั้งหลายนีโดยมากจะมาฟังพระเทศหรือฟังอัตมาเทศบางคนก็คงจะเชื่อหมดแต่อัตมาขอห้ามเดี๋ไปเชื่อหมดอย่ามาเชื่อ อย่าเชื่ออย่ามาเชื่อเอาวางวางไว้ให้ปัญญามันเกิดก่อนในสมัยหนึ่งองค์ภาษาดิบุตรนั่งฟังธรรมพระบรมศาสลาอยู่นั้นังอธิบายไปดีๆีนี่ถึงพักหนึ่งพอจมคูณรพระพระเจ้าตรัสว่าสาษาดบุตรท่านเชื่ออะไรหย่างนี้ภาษาดิบุตรจงไปเลยผมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะอ๋อภาษาดิบุตรดีแล้ว นักปราชญ์จพึ่งเชื่ อ, อง่ายๆเลยใข้ควรก่อนถึงเชื่ อ, อใช่ไหมนี่แสดงว่าให้เห็นเป็นประจจังด้วยตนเองนั่นพระพุทธองค์ให้โอกาสถ้าหาาคนในสมัยนี้ถ้าว่าฉันไม่เชื่อคงอาจารย์คงจะโกรธแรือมั่งนี่เนาะคงจะแม่สอนตัวเชื่อแม่ไหมลูกไม่เชื่อแม่คงจะโกรธ ไ, ไห ม, มพ่อเชื่อพ่อไหมลูกไม่เชื่อ พ่อคงจะโปวดไหมนี่อันนี้เขาจะเป็ศาสนาตัณฑ์อย่างนิ่มนวลเลยเชื่อแหรือไม่ภาษาดีบุตรอืมภาษารีบุตรส่หร่าข้าพเจ้าเงไม่เชื่อท่านเห็นด้วยดีแล้วภาษารีบุตรนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายใจตองด้วยเหตุผลแล้วจึงเชื่อเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านต้องการมากให้เราด้ใจของเราเองอย่างนั้นจึงประกันสอนใจ ให้ระวังใจสิ่งสังมติในตัวตนของเราเนี่ยตาก็าดีหูกดห็ดกีจมูกก็ดีริ้งก็ดีกายก็ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นบริวาลของใจอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนวนะ่าใจนี่เป็นสิ่งสาคัญระวังนะท่านจงระวังใจของท่าน ừ, ท่านจงระวังใจของท่าน ừ, ท่านจะดีจะชั่วทุกอย่างเพราะใจของท่านท่านจงระวังใจ ใจนี่มันเป็นพิษยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายแต่แล้วถ้าพิษมันหมดไปยิ่งกว่าสิ่งทั้งหามันอ่อนแไปแล้วอย่างนั้นใจนี่เป็นสิ่งสีบสัง้งกัจะพูดก็มีใจถึงก่อนจะทำก็มีใจถึงก่อนจะเป็นอะไรอะไรก็มีใจถึงก่อนทั้งนั้นน่ะมิฉะนั้นดวงใจของเรานี่พระพุทธองค์จึงตัดว่าเรื่องพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตใจ อเป็นเรื่องของจิตใจเป็นศาสนาเรื่องจิตใจเป็นศาสนาเรื่องจิตใจอันนี้อาจารมาจะเล่าเหตฟังอาจารมามีดิษฎีฝรั่งคนหนึ่งเขาเรียนกิตติศาสตร์จบ <c oughs> จบกิตติศาสตร์แล้วออกมาเมืองไทยมาบวชอาจามาอยู่วี่ประโงคนานเป็นกิตติศาสตร์รู้ละสอบได้จบกิตติศาสตร์นะแต่ว่า ทุกบ่อยๆหมองหมูตายพ่อมูจับงวูกัดทวนทวนไม่รู้เย<ม>้ยมี่แหละเรียนจิตอืจบจิตปศาสตรมันจบแต่การภาคเรียนแต่จิตใจนั้นมันไม่ถึงมันไม่จบมันให้ทุกบ่อยๆมันน่าจะจบจิตปศาสตร์แต่มันน่าจะรู้จากจิตของเจ้าของที่อันนี้เป็นต้นจิตมันให้โทษเราบ่อยๆบ่อยๆจนกว่าทีจะฉึกไป น, นั่นเอง นี่นี่มันจบแบบนึเียจิตราสตร์ตามหลักการวิชาการมันเป็นอย่างนั้นตัวมังสือมันเป็นอย่างหนึง่งกรรรามันเป็นอย่างหนึ่งฉะนั้นพระบรมครูจำเจีงสอนว่าการเรียนทรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการรู้ทมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งอืนะการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการเห็นธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่ง ที่มดอันมันยิ่งพเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมเพราะเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแนวบรยใจมันเป็นธรรมธรรมทางไหนมารวมอยู่ที่ใจมันเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีเท่านี้อันเดียวเท่นี้คือเรืงใจนั้นฉะนั้นหลักพุทธศาสนานี้ท่านจริงอะเป็นไปในแนวที่เรียว่าจิตใจเรื่องพุทธศาสนาของเราฉะนั้นอาจามาจึงสามารถพูดว่าพุทธศาสตร์นี้ เป็นศาสตร์ที่สูงสง่งเป็นศาสตร์ที่ทำศาสตร์อนอื่นเป็นต้นให้สมบูรณ์ขึ้นโดยระดับทั้ทงมีคระมรู้ทั้งมีความดีทั้งมีปัญญาเกิดขึ้นศาสตร์อื่นนั้นโดยมากมีความรู้แต่ความดีไม่เคยจะมีมันเป็นเพอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญกุศลวันนี้จงรู้สึกถว่าจิตเป็นเหตุระวังจิตของเรา ให้รู้ไหมว่าวันนี้โยมจะดีใจเนี่ยมันดีใครพาดีใจรู้ไหมหูหรือตาไหมไม่ใช่จิตดดูทีวันนี้มันจะเกลีดมันจะดุเพราะอะไรไหมตามันดุหรือหูมันดุไหมดูไป ท, ทีใจมันจะไม่ค่อยดีเนะ่อเพราะอะไรตรงนั้นเพราะจิตตรงนั้นน่ะสมะ็ติดองค์ของธรรมะให้สอนจิตเมื่อเราสงสอนจิตของเราจิตก็มาเป็นไปแล้ว ไอ้ความสุขความโทมันจะตามเข้ามาสู่เร า, ต, า, าตั้งตาหูจมูกอินกายเป็นบริวารเท่านั้นแนี่ยจิตนี้เป็นสิ่งสําคัญมี่ท่นานญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ก็ขอให้จงสังวรสังรวมระวังจิตจิตนี้มันเป็นโทษอย่างไพศาลจิตนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากมายถ้าเราทำถูกต้องมันเกิดประโยชน์มากจะเกินนะจิตนี้ก็คงจะมีทุกคนนะมั้งนี่เนาะแต่อันนี้มันมีตัวมีตนนะ่ะ แต่คนรู้จักไม่มว่าจิตนี้คืออะไรไหมญาติโยมคงจะเอามาทุกคนขจิตบนันนี้แต่จะถามว่าจิตมันอยู่ตรงไห น, นคงจะพูดยากเหมือนกันนะพูดยากขออ้าวก็จะใครเป็นคนที่รับรู้อจะมาเทศน์ให้ฟังเยนะ่ยใครเป็นคนรับรู้คนที่รับรู้คือใครแต่มันอยู่ตรงไหนนี่ให้รู้เข้าไปจะรู้ถึงว่าอันนั้นคือจิตของเราที่รับรู้อันนั้น จะพาเราวิ่งไปวิ่งมาพาเราดีเราชั่วพาเราดีใจเสียใจก็เพราะอันนี้เองอเพะนั้นอย่าจมอย่าจรงรักษาอันนี้ให้มันเห็นชัดกันไปยิงเรื่อเป็นหัวใจของพุทธศาสนานี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอะไรทุกอย่างมันจะเบาไปหมดทุกอย่างที่เราทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นสอนกันแต่เพียงว่าให้มีศีรธรรมเท่านั้นก็ลําบากอยู่แล้วอย่าเบียดเบียนกันนะ อย่าอิดช้ากันนะเท่านี้ก็ยังไม่ก็ยจะเห็นกันเนี่ยจะให้ละร ะ, ะ, ะวางนั้นก็มันก็ลำบากเหมือนกันแนะเริ่มต้นก็เป็นศีลธรรมให้เรามีศีลธรรมกันอย่างเทปอันเนี้ยนายกอยากายได้ด้เกินแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นนะก็เลยกลับมากลัวมันจะเป็นโทษเท่านี้ก็พอแล้วไม่คล้าจะ เอาเรื่องไม่กล้าจะขโมยแลยเพราะไม่มีของเท่านี้ก็ถงไปในสีรธรรมนี่ไม่ต้องละมันเอาเทปไม่ใช่ได้สบายเลยอย่างนี้ตัวอย่างมีอันอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นให้เห็นขนาดนี้ก็พอรู้เล้ว่าต้องละต้องพยายามอดทนการปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติธรรมะการอดทนคือมันอยากจะทําความชั่วยอยู่นั้นแต่เราพยายามสอนแต่เราไม่ทํานี่คือการปฏิบัติ ปฏิบัติไปดีๆเจนปว่าเดียวจิตใจคนเป็นชำนาญจนมันรู้จากผิดจากถูกรู้จากบาปจากบุญรู้จากคุณจากโทษอาจามาเคยสอนญาติโยมทั้งหลายว่าไงง่ายแต่ว่ามันยากสักหน่อยหนึ่งี่น ะ, นะสอนเอ่สอนอยังไงไหมไปที่ไหนได้เคยยินว่าฉันไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรเรียนลาบากไม่รู้จักการลเล่าจจเรียนแต่ไม่ต้องโงมเลิกซนะ เลิกก็ได้เลิกก็ได้นะบอกเีวยวเมื่อเราจะภาวนาอะบริกรรมอย่างนี้ง่ายๆวะให้มันเห็นด้วยการจังว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะก่อนเราจะนอนนะทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจะกำหนดลมหายใจไปไดีนี้นะรู้จักบอกอยูวยว่ทําดีได้ดี ทำเชั่วได้ชั่อจนผู้รู้เรามารับเอาดีเอาชั่วเข้าไปอยู่ในภายในความรู้นั้นจนจิตของเราผ่องใสดูจากดีดูจากชั่วเมื่อมันรูจากชั่วมันก็วางความชั่วเมื่อมันรู้จากดีมันก็ประพฤติความดีถ้ามันชั่วมันไม่ทาแล้วมันเลิกแต่มันสร้างความดีแล้วนั้นแหละจิตของเรารับแล้วรู้จากดีดูจากชั่วแล้วเลยมากญาติโยมเราทางั้นไม่ค่ยรู้จากดีจากชั่วนะบางทีจะชั่วก็ไปทํำ ทำไปจนเจ็บใจจนร้องไห้ก็ยังไม่รู้บอมชั่วนะไม่รู้จะดีจกชั่วให้ทําไม่รู้จะดีจกชั่วเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเมื่อมันตกอยู่ในกระแสจิตของเจ้าของมันรู้จะดีจกชั่วมันก็รู้จะ ก, กว่าจกคุณนะมันก็เป็นคนสอนง่ายเริ่ม้นมาเท่านั้นเองเนะี่ยง่า ย, ายสอนอย่างนั้นภาวนาได้ไปเมื่อมันภาวาแล้วก็ทาดีดีด อ้ต้งชั่วไอ้ชั่วถ้ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็ปฏิบัติตามมันก็สร้างความดีขึ้นความชั่วขก็ละไปเองของมันเองดิอย่างนั้นมันก็ถึงความสงบตนั้นเองให้มันติดอยู่ดีมันติดอยู่ชั่วอย่างเนี้ยต่อไปความดีน่ะถ้าเรายึดไปนานหยึดไม่วางให้ใครเลยนะอย่างนี้ฉันถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดอย่างเนี้เนี่ยอาศัยความดีเป็นอยู่เย่างนี้ ไอ้ความดีเนี่ยอถ้าเราไปยึดมัน่นถือมันไม่วางน่ะมันก็เกิดชั่วได้เหมือนกันแน่นี่เกิดชั่วแล้วเหมือนกันตายเพราะความดีนั่นเนี่ยคือไม่ดูจากใช่ของดีไม่ดูจากประมาณนั้นเพราะว่าท่านสอนมาให้สร้างตคนนี้ก็ติดดีนะนได้ดีมาก็ไม่ปล่อยมีอุปทานมั่นหมายอยู่ไม่ขาดนะอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันถึงที่สุดแดียวพระพุทธเจ้าก็จะให้ปล่อยให้ดูดีให้ดูชั่ว สารู้มันดีก็ไม่มีโทษชั่วก็ม่มีตัวทษเราปล่อยวางมันท้งนั้นอย่างนี้นเป็นต้นพระพุทธเจ้ลงการสอนกันไปอย่างนั้นอะไรก็ชังมันเถอะวันนี้สารูไปความว่าใจใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ม, มีโทษมากมีคุณมากเราจะร้องไห้กับพ่อใจของเราเราจะหัวเราะกับพ่อใจของเราเราจะเสียใจกับพ่อใจของเรา เราจะดีใจกับพอใจของเราถ้าโยมยังไม่ชัดดูนะถ้ามันโกรธมาน่ยดูไปในจิตใครโกรธหูมันโกรธด้วยตามันโกรธนะดูนี่โยมจะรู้จากเหตุมันเกิดมาจากไหนแต่ท้เออนะให้โยมจะดูเนี่ยเมื่อมันดีใจเกิดมันดีมาจากหูหรือมันดีมาจากตาหรือมันดีมาจากใจถ้าโยมตามอย่างนี้สังรวมอย่างนี้โยมจะรูจักเหตุมันเกิดมา ถ้าดูจากเหตุที่มันเกิดมาต่อไปแล้งับตรงนั้นตรงที่มันเกิดมา น, ะมนั่นนะฮะมันกระนับนันนั่นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถือจุดมันแล้วอย่างนี้เป็นต้น อ, อะไรทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเสมออย่างนี้จะเห็นโลกนี่เป็นโลกรวิทูนะโลกนี่เป็นโลกวิทูโลกนี้มีควา ม, มสม่ำเสมอสะมันอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้น อยาให้เป็นอย่างนี้เท่า น, นั้นแหละมันก็เลยไม่พอใจของเราพระพุทธเจ้ า, าของเราท่านรู้เกิดในโลกนี้ท่านก็เอาโลกนี้ไปพิจรารณาท่านเห็นพ น, นิพพานทนทุกข์ท่านก็เห็นในโลก น, นี้ท่านจึงจโกกัโเวรไปทูลรู้แจ้งโลกอืมเรามันรู้ไม่แจ้งโลกโลกโลกมันมีความมืดอยู่อย่างนั้นอืมอันนี้ให้โยมไปพิจรารณาดูซินะให้พิจรารณา ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาวันนี้อัตมาให้ความรู้ให้ความเห็นอพอสมควรแล้วฉะนั้นอัตมาก็จะขอยุติพระธรรมาเทศนาไว้เพียงตัวนี้